ผูทั่วสวัสดีค่ะท่านฝัง่งที่กรกขาได้ลาของสันนิษสนทนานะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนธรรมที่ท่านเปี้ยบุญอภิปุณโญได้นำมาธรรมะที่ประศาสด า, าได้ตราดไว้นี้มาให้กับพวกเราเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผู้ทวจระเนี่ยนะคะให้ชาวพุทธได้มีโอกาสเข้าถึงคําสอนของประศาสด า, า, าโดยตรงได้กว้างขวางหรือว่าละเอียดด้วยมากยิ่งขึ้นซึ่ง ในวันพฤหัสกับวันศุกร์นะคะทุกสัปดาห์ก็จะเป็นหน้าที่ที่ดิฉันมากราบเรียนสนทนากับท่านอาจารย์ซึ่งสัปดาห์นี้ท่านก็เหน็ดเหนื่อยจากการที่มีงานกระถินที่วัดป่าดอนหายสศกก็คงต้องทําอะไรหลายอย่างอยู่เพื่อที่จะทําให้งานกระถิ่นนั้นลุล่วงกล่าวณมรสการได้ไหมคะเจริญพรค่ะก็ยังมาพบกับท่านบุฟังอยู่นะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยวันพฤหัสกับวันศุกร์นี่ก็จะมาคุยกับคุณสันตณีค่ะ มิซาประาณสามวันท so ี่ผ to ่านมาท่านได้มีโอกาสอ่าเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงบรรยากาศของกรถิ่นที่วัดป่าดอนหายโศกในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไหมคะแล้วก็ไม่ได้พูดเลยเพราะว่าพูดแต่เนื้อหาธรรมะอย่างเดียวเลยค่ะงั้นรบกวนท่านนิดได้ไหมคะดิฉันเอาเป็นฝ่ายทางชาวโลกก็แล้วกันค่ะเรพูดเรื่องโลกค่ะอก็งานกระถิ่นในวันนั้นวันที่สิบสองตุลาคมที่ผ่านมาก็มีญาติโยมจากโอ้ทุกสารทิศก้นเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็ งานกระติงของเราก็เริ่มตั้งแต่เช้านะมีการบิณฑบาตหลวงพ่อก็บิณฑบาตในวดัดจากนั้นก็รับประทานอาหารกันเรียบร้อยมีลงทานตั้งเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ้าที่มาร่วมอาหารกันประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีพิธีทอดกระถินเสร็จเรียบร้อยไปก็ตัว อ, อย่างเรียบร้อย เ, เสร็จก็ประมาณสิบเอ็ดโมงครึง่งประมาณสิบเอ็ดโมงพอดีแล้วอีเท่านั้นนะคะใช่ แต่งานของพระสงฆ์ก็ยังไม่จบนะคือหลังจากมีพิธีกรารทกรินแล้วพระสงฆ์ก็จะต้องไปตัดเย็บผ้าย้อมผ้าเอาผ้านั้นมาตัดเย็บย้อมกว่าจะได้อนุมโมทนากันก็ประมาณสองทุ่ ม, ออมพอรับผ้ามาแล้วนะคือไอ้พวกบริวารกรินก็บริวารกระินไปใช่ไหมแต่ที่สําคัญสำหรับงานกระินเนี่ยคือเรื่องของผ้าพระเจ้าอนุ ญ, ญ, ญาตให้มีผ้ารับผ้าได้แล้วก็ในช่วงตอนที่รับผ้าเนี่ย คุต้องโบสกันแล้วว่าใครจะเป็นคนได้รับในปีนี้เนี่ยเพราะว่าผ้าที่ทําเนี่ยก็ทําผืนเดียวแล้วก็มอบให้กับภิกษุรูปเดียวเพราะฉะนั้นในที่โบสถตรงนั้นนะครจะเลือกพระมาสี่รูปก็คือพระที่วัดเนี่ยมีประมาณสิบสามหรือสิองรูปนี่แหล ะ, ะแล้วก็จะเลือกมาสี่องค์ที่สมครทําการโบสแต่สียองค์นี้จะโบสถใครก็บวถให้กับผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดก็คือหลวงพ่อแล้วนี่ห<อ>ลวงพอ่อด็อกเตอร์สะอาดเจ้าวาดวัด าหางโซกค่ะเสร็จแล้วพอได้ผ้านะผ้าที่เราตัดเย็บอันนี้ก็เป็นผ้าสบงนะเพราะว่าเป็นผืนเล็กที่สุดที่มันจะตัดให้เสร็จได้เร็วได้ง่ายตัดแล้วเย็บแล้วย้อมแล้วแล้วเราก็มาอนุโมทนากันค่ะแล้วมีผ้าเหลือไหมท่านค่ะก็ก็มีผ้าเหลือแน่นอนเพราะฉะนั้นผ้าที่เหลือนี่ทําไงใช่ไหมค่ะอะทีนี้ภิกษุอื่นๆนที่ที่เหลือก็สามารถพิจารณาได้ว่าตัวเองต้องการเปลี่ยนผ้าหรือไม่ แล้วก็ไปตัดเย็บย้อมให้ให้เสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็จะไม่ได้กำหนดละว่าจะต้องกี่วันกี่วันค่ะงั้นอดีตฉันขอสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทอดกะถินในส่วนที่เกี่ยวกับสงก็คือเรื่องของผ้าโดยเฉพาะว่าจะเป็นการที่ญาติโยมทั้งหลายได้ไปช่วยกันถวายแล้วก็อนุโมทนาในผ้ากะถินเพื่อให้พระภิกษุนั้นได้นำอาอกไปทำ ผ้าที่จะใช้ของพระภิกษุไม่ว่าจะเป็นผืนใดก็ได้ในบรรดาสมผืนใช่ไหมคะใช่ใถูกต้องจีวอนสบงสังคติถูกต้องถูกต้องจีวอนก็คือใช่สังคตินี่คือสบงนี่คือผ้านุ่งนัคือปิดตั้งแต่สะดือลงไปถึงเท้าผ้าห่มนั่นก็เลยคือจีวอแล้วก็ผ้าคลุมก็คือสังคติค่ะซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติในครั้งพุทธการผ้าผืนสําคัญ จะต้องตัดเย็บให้เสร็จภายในวันเดียวถ้าเป็นพูดถึงงานกระถินใช่ผ้ากระถินใช่ค่ะแต่ที่เหลืออยู่ในทางปฏิบัติก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ถ้ามีความจำเป็นของสงและไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องทำให้เสร็จภายในวันนั้นถูกต้องถูกต้องทีนี้นะแล้วทำไมจะต้องทำผ้าผืนนี้ออกมาค่าะนก็คือถ้าเราไม่ทำก็ได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ได้อ น, นิสงกระถิน คือคำ ว, ว่ากระถินเนี่ยก็คือหมายถึงผ้าก็ได้หมายถึงไม้ระเดียงที่ว่าเอามาขึงแล้วก็มาสำหรับเย็บอย่างเงี้ยนะเราก็เรียกว่ากระถินทั้งนั้นทีนี้ว่าเพื่อที่จะให้มันได้อ น, นิสง์ของการทําร่วมกันทําตรงนี้นก็ต้องมีข้อบัญญัติที่พูดถึงว่าต้องทําเสร็จจับไปในวันเดียวตรงนี้อา น, นิสงในที่นี้แปลว่าอะไรกะนคะอา น, นิสงก็คือผลที่พระเจ้าจะลดหย่อนในข้อบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการความเป็นอยู่ของพระอย่างเงี้ยนะ อั น, นิี้สงของกรกฐิ น, นเช่นว่าพระพิสุเนี่ยสามารถที่จะก็ะคืออั น, นิี้สงของการออกพรรษานั่นแหละอั น, นิี้สงของการเข้าพรรษานั่นแหละสมมุติถ้าใครอยู่พรรษาสามเดือนปุ๊บพอออกพรรษาปุ๊บคุณจะได้อั น, นิี้สงห้าอย่างนี้อั น, นิี้สงอย่างแรกก็คือว่าไม่ต้องถือไตรจีวรครบสําหรับก็คือผ้าสามผืนเนี่ยคุณจะมีแค่2ผืนก็ได้ค่ะข้อที่สองถัดมาก็คือชั้นอาหารที่เป็นคณะได้ โดยปกติเนี่ยพระนี่ก็จะจะไม่ฉันเป็นวงร่วมวงจะฉันคนเดียวก็ฉันรูปเดียวเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราฉันก็คือนั่งเรียงต่อกันไปเป็นคิวแต่ละคนแต่ละรูปก็มีอาหารคือมีบาตของตัวเองฉันไป <Okay. S 1> แต่ถ้าบอกว่าอยู่ในพัรษาบางทีช่วงของพรรษามีกิจกรรมการงานอะไรต่างๆพุทเจ้าก็ผ่อนปลนในเรื่องของความเป็นอยู่ตรงนี้ให้นะโดยฉันอาหารที่เป็นวงได้บางทีต้องรีบด่วนอย่างเงี้ยได้แล้วก็เวลาที่ ไปไหนบางทีมีกิจเรียบด่วนอะไรก็ไม่ต้องบอกลาก็ได้แต่จริงๆก็คือเป็นเรื่องที่ผ่อนปลนในเรื่องวินัยเล็กๆน้อยๆสําหรับพระอัะนนี้คือของการเข้าพรรษาแล้วก็จะมีผลแค่หนึ่งเดือนทีนี้ถ้าสําหรับใครที่มีการทํากระถินด้วยก็จะอันนี้สองนี้ก็จะยืดออกไปสี่เดือนยืดออกไปอีกสี่เดือนจนถึงวันเป็นเดือนสี่แค่นั้นเองพอถึงวันเพียรเดือนสี่ปุ๊บทีนี้แล้วก็ จะนั่งล้อมวงฉันอาหารไม่ได้นะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอ๋อค่ะแล้วก็ที่เหลืออย่างที่ได้พูดไปแล้วก็ทําไม่ได้อนุโลมให้แค่หนึ่งเดือนถ้าทำกระถินบวกให้อีกสเดือนใช่ใช่นะคะอ๋อเนี่ยี่เป็นความรู้ใหม่ของดิฉันเลยแต่อันนี้คําว่าอันนี้สงเราก็จะได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะคะแล้วดิฉันเข้าใจว่าความเข้าใจของทุกๆคนเนี่ยอันนี้สงหมายถึงว่าเป็นผลบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันไหมคะเออเหมือนกันนะคืออันนี้สงคือผลที่คุณจะได้รับจากการทำสิ่งนี้สิ่งนี้ เช่นว่าถ้าผลที่คุณจะได้รับจากการให้ทา น, น, นก็จะเป็นความเป็นโภคทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นหรือว่าจะเป็นใบเพื่อสวรรค์อันนี้มีสวรรค์เป็นอ น, นิสงเราก็พูดได้งั้นก็เท่ากับว่าจริงๆเป็นคําเดียวกันเพียงแต่ว่าแต่ละกรณีจะไม่เหมือนกันนี่กรณีของเมื่อท่านทั้งหลายเนี่ยได้อยู่จำพรรษาครบแล้วจะได้อานิสงผลอันนี้่เป็นพิเศษห ร, หรือถ้ า, าจะพูดกับคารวะก็เช่นว่าถ้าคุณตั้งใจเรีย น, นอ น, นิสงของการตั้งใจเรียนคุณก็จะสอบผ่านอย่างเงี้ย ได้นะคะค่ะก็กล่าวในวัสการขอบพระคุณปัญญายิ่งเกี่ยวกับเรื่องของกระถิอ่อมาต่อกันที่คําถามนะคะท่านคะที่ผนก็มีผู้ที่ฟังรายการท่านอยู่เป็นประจํา น, นะคะได้กราบเรียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายอืที่ฉันเองก็กําลังสลดใจกับชาวนาที่เป็นหนี้แล้วก็ไปเผาตัวในธรรมเนียบรัฐบาลอ่าตอนที่ถึงขนาเนี้ยยังไม่ ไม่ลุกลามไปถึงเสียชีวิตนะคะแต่ยังไงก็น่าสลดใจมากเพราะว่าคนเราที่ต้องมาฆ่าตัวตายจากความทุกข์เนี่ยทีนี้คำถามนี้คล้ายๆกันนะคะแต่เป็นเรื่องของพระสงฆ์บอกว่าพระสงฆ์ฆ่าตัวตายในกุฏิวัดเป็นบาปหรือไม่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างไรโอเคค่ ะ, ะพูดถึงพระสงฆ์ฆ่าตัวตายในกุฏิด้วยนี่ที่เขาถามอ๋อถ้าเอาพระสงฆ์เฉยๆกันนะ เอาพระพิสดารมามาต้องการจะให้คุณโยมที่ลองพิจารณาอย่างเช่นว่าการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศล่วงหน้าว่าตัวพระองค์เนี่ยจะป ร, ะรินิพพานอีกสามเดือนจากนี้นะอันนี้คือเคสที่หนึ่งแล้วก็คืนนั้นก่อนการป ร, รินิพพานผ่านไปสองเดือนกับอีกยี่สิบเก้าวันเนี่ยก็ไปรับประทานอาหารที่ชื่อว่าสูกรามัทวะก็จะมาคือเห็ดประเภทหนึ่งนะที่สุกรมันชอบกินเนี่ยแล้วก็รู้อยู่แล้วล่ละว่า บอกไว้าชัดเจนนะมีเป็นพุทธบพด้วยว่าการรับประทานอาหารประเภทนี้ไม่มีใครย่อยได้น่าจกจา ก, จากตถาคตนะแล้วก็ให้ฝังเสียนะแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากรับประทานไปเนี่ยป่วยด้วยโรคที่ไทยออกมาเป็นโลหิตเนะี่ยถามว่าการการะทําของบุรุษเจ้าตรงนีนะ้รู้ว่าตัวเองจะตายก่อนล่วงหน้ากินอาหารประเภทนี้เพื่อให้ร่างกายมันไม่รู้ละ่ะมันเป็นยังไงมันคงจะต้องเป็นไปละ่ะแต่ก็กินอย่างเงี้ยรับประทานอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการฆ่าตัวตายไหมอันนี้ยกไว้ก่อนนะต้องการให้พิจารณา หรือกรณีที่สองนะท่านพระอ น, นุ์อย่างนี้ไป็นต้นนะลีลาการปริทินิพันธ์ธนของท่านพระอนุ น, นอย่างเงี้ยก็คือว่าเข้าสมาธิจนถึงเตโชธาตุเผาร่างกายตู้มออกมานะเป็นเศษล่วงลงที่สองฝั่งของญาตนะิทั้งสองฝั่งทุกคนมีธาตุของท่านพระอ น, นุ์หมดเอ้ยอย่างนี้คือการคาดตัวตายไหมหรือแม้แต่พระโกลิตะนะมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าโกลิตะตเข้าสมาธิ นะเข้าสมาธิแล้วสมาธิเสื่อมโอ้เป็นเดือดเป็นร้อนเป็นเศร้าเป็นมีไม่มีกําลังใจหมดกําลังใจเอาทำใหมนะ่ไปฟังเทศประชาใหม่ทําสมาธิให้เกิดขึ้นอย่างนี้ใหม่นะแล้วก็สมาธิเสื่อมอีกอย่างเงี้ยจนถึง6รอบนะจนรอบที่7เนี่ยตัวเองคิดว่าอืมฉันจะไม่ยอสมาธิเสื่อมละ จ, ะจะยอมตายในสมาธิแล้ก็พออยู่ในสมาธิก็เอามีดเนี่ยบาดคอตายรนะหว่างที่ปาดคอเนี่เพื่อจะให้ตัวเองตายเห็นเลือดออกมาพิจารณาปุ๊บบรรลุปเป็นบาอาหนั่ไม่ก่อนไม่หลังแต่การตาย อันนี้ค่ตัวได้นะรหรือแม้แต่ภาะวักะลิอ่าพระวักกะลีพระวักะะวกะลินอนป่วยอยู่ที่เรือนของช่างหม่อตั้งหลายเดือนนะจนกระทั่งพรชาเสด็จไปเยี่ยมพรชาเทศให้ฟังแล้วมีกําลังใจขึกนเหิมมีความคิดว่าฉันจะมานอนตายอยู่ในในเรือนได้ยังไงในบ้านของคารวาสได้ไงกลับไปตายที่วัดนะกลับใบวัดวปุ๊บเข้าสมาธิอย่างยานลงปฐมยามมชิมยามปชิมยามแลนะสุดท้ายบารลุเรียบร้อยเอามีดปาดคอตาย นะข้อหักอยู่ตรงนั้นนะํามานเป็นคลื่นบนใบนบนมางนั้นถามดวงวิญญาณของนัานพระวกลีไม่เจอทั้งทั้งหมดกรณีเนี้ยเื่อกิดมาคิดว่าบุคคลเหล่าเนี้ยเขาก็ก็เข้าขายการฆ่าตัวตายไหมคุณโยมติว่าคือถ้าดูจากอาการที่เล่าว่าเอ่อเอามีดปาดคออย่างเงี้ย น, นะคะความเข<อ>น<อ>น้าใจของคนทั่วๆไปธรรมดาเนี่ยคือจงใจฆ่าตัวตาย อ, อ, อ, อ, อ, อหรืออย่างอย่างทางอ้อมอย่างกรณีของพระพุทธเจ้า รับประทานานประเภทนี้อย่างเงี้ยทั้ง้ๆที่รู้ว่ามันจะไม่ดีกับตัวเองแต่ก็ทําำก็น่าที่จะเข้าใจแบบอย่างพวกเราอืมธรรมดาว่าท่านจงใจที่จะสังหารปลิดชีพตัวเองใช่หรือ <c oughs> หรือแม้แต่ตัวเราเองอตัวเราเองสมมติว่าถ้าท่านผู้ฟังหรือว่าใครก็ตามเนี่ยกินเนื้อมากๆ <c oughs> แล้วก็กินสิ่งที่มันเป็นน้ําตาลมากๆพวกนี้คื อ, อยาพิษที่มันจะฆ่าตัวเราแต่เราก็ยัง <c oughs> กินอย่างเงี้ยอันนี้ชื่อว่าฆ่าตัวตายไหมใช่ไหม อันนี้เราไม่ค่อยรู้สึกเพราะมันผ่อนทรงค่ะท่านครับบางคนบอกตายเป็นตายช่างมันมันจ<อ>ตายจริงเป่าก็ไม่รู้อาจ<อ>จะไปโดนรถชนตายก่อนเอา <ๆ S 2> เอะ<ๆ>ไรลิ้นไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นคะคือคือตรงนี้เรามามองว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะเห็นสิ่งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเห็นสิ่งนั้นเนี่ยเป็นบุญหรือว่าเป็นบาปแต่มีมีเด็กหญิงคนหนึ่งก็อายุยี่สิบสองปีเนี่ยเป็นอันตายนี้คืออ่านนิยายนะ ในใิยายที่เรื่องที่ชื่อว่าเบอรอนิก้าดีไซส์ตูดาคือเด็กหญิงชื่อเบอรอนิก้าเนี่ยเขาตัดสินใจว่าเขาจะตายเป็นเรื่องราวที่เด็กหญิงคนหนึ่งอายุอ่าสิบยปีแล้วก็เป็นสาวแล้ว <Okay. S 1> เราก็คิดว่าเอ๊ะฉันจะมีชีวิตอยู่ไปทําไมแต่งงานแล้วก็มีสามีมีลูกแล้วก็ตายไปคนนั้นก็เป็นอย่างนี้ป้าก็เป็นอย่างนี้แม่ก็เป็นนี้ก็เลยคิดว่าไม่รู้จะอยู่ทําไมเพรเห็นหมดแล้วว่าจะต้องเป็นยังไงตายดีกว่า <Okay. S 1> แล้วก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่ว่าฆ่าตัวตายแล้วไม่ตาย แล้วเขาก็เลยส่งไปโรงพยาบาลโรคจิตในโรงพยาบาลโรคจิตเนี่ยเขาก็เลยให้ยาประเภทหนึ่งแต่อันนี้เป็นนิยายที่ดีมากเลยอาตมาอ่านตั้งแต่ตอนสมัยยังเป็นคารวาสอาตคิดว่าถ้าเรานำไปอ่านหรือว่าคุณโยมติวไปอ่านนี่จะดีมากในสรุปของเรื่องนี้ก็คือว่าเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าคุณค่าของชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรเนี่ยนะการมีชีวิตอยู่แบบนั้นเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ แต่ถ้าผมว่าเราจะตายแล้วเรารู้คุณค่าของชีวิตที่มีอยู่เนี่ยการตายตรงนั้นเนี่ยมีประโยชน์คือคือพระเจ้าเคยบอกนะบอกว่าการตายของบุตรของเราเนี่ยเช่นมีพระวักกะลิมีพระภิกษุรูปต่างๆที่ยอมสละชีวิตแบบนั่งสมาธิจนตัวตายเงี้ยนะก็มีเนี่ยการตายของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยไม่เป็นการตายที่เสื่อมเสียเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ฟันธงว่าพระสงฆ์ฆ่าตัวตายในกุฏิวัดอย่างเงี้ย บาบหรือไม่เนี่ยเนื่มาไม่สามารถวิเคราะห์ให้ได้เลยเเพราะไม่รู้ว่าพี่สูรุ่นนั้นเนี่ยท่านทำอะไระแล้วก็ด้วยวิธีการไหนในกุฏิวัดมีคนเข้าไปสร้างหลักฐานหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะค่ ะ, คะก็สรุปแล้วไม่สามารถฟันธงได้นั่นเองเพียงแต่ว่าขอให้เข้าใจว่าถ้าเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติแล้วเนี่ย บางครั้งอาจจะเป็นลักษณะที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัดสินว่าไม่เป็นการตายที่เสื่อมเสียใช่ใช่เป็นไปได้เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นการฆ่าตัวตายแบบปกติธรรมดาทั่วไปที่เรารู้ด้กันฉันไม่อยากอยู่แล้วตายดีกว่าอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นถือว่าผิดศีลข้อที่1ถูกไหมคะที่ฉันจำได้เช่นนั้นเออก็เป็นการที่ฆ่าสัตว์ใช่ทําทำสัตว์ที่มีปรานให้ตกล่วงลงไปอันนี้ก็เข้าข่ายการผิดศีล น, นะคะคุณเพนประกายคงจะต้องไปหารายละเอียดมากกว่านี้ ถึงจะสามารถที่จะพออนุมานพอจะวิเคราะห์ได้ว่าน่าจะตายด้วยอะไรแต่ก็ไม่สามารถสรุปได้ทั้งหมดเพราะว่าท่านก็ตายไปแล้วถามไม่ได้นะคะ<ช>ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอย่างอย่างกรณีที่น่าสนใจเช่นว่าภิกษุที่เป็นพระอหัน์อย่างพระชนะหรือว่าพระบัคกัลลีอย่างเงี้ยแล้วหรือโกลิตาอย่างเงี้เป็นต้นเนี่ยที่ว่าฆ่าตัวตายแบบเห็นๆ เ, เลยด้วยการใช้มีดอย่างเงี้ยนะเอาสา<ช>ตรามาปาดคอตัวเองอย่างเงี้ย การตายของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเพราะว่าท่านนี้คือบรรลุเนพระอรหันต์แล้วใช่ไหมแล้วก็ทุกขเวทนามันกล้าแข็งมากก็เลยจัดการซะการตายตรงนี้นก็ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปบแต่ว่ายังมีการตายบางประเภทที่เป็นบุญนะคุณโยมติ๋วอย่างเช่นว่าโพธิสัตว์อย่าปพระพุทธองเรานะตอนเป็นโพธิสัตว์อย่างเงี้ยยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อคนอื่นและยอมตายแทนคนอื่นนะการตายตรงนี้นเป็นบุญ ถูกไหมเป็นบุญนะไม่ใช่บาปนะไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นสีส่สิ่งข้อหนึ่งด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นบางทีเราเราบอกว่าเอ้ยคุณค่าตัวตายเอามีดมาปาดค อ, อจะสรุปบ้าคนนี้นะผีสิงข้อหนึ่งทั้งหมด เ, เราคงปูนไม่ได้นะเพรา ะ, ะเราจะต้องทราบด้วยว่าเจตนาที่ตายของเขานั้นเพื่ออะไรนะมี เ, เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างเงี้ยเราก็ต้องวิเคราะห์ตรงนี้ด้วยนะค่ะนะคอันนี้เราเอาแง่มุมของ เรื่องของกุศลอกุศลทางด้านของพระพุทธศาสนาตามคําสอนของพระาศาสดาเข้าไปจับอืพูด<ช>ถึง<า>เรื่องที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่หรือการาบเรียนถามท่านอยู่ในขณะนี้คือการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าสมมุติว่าก่อนจะจบรายการท่านอยากจะฝากเป็นธรรมะของพระพุทธองค์เอาไว้เป็นแง่คิดกับคนที่คิดจะฆ่าตัวตายหรือคิดจะไปตัดสินใครว่าเขาฆ่าตัวตายควรจะ ธรรมะข้อไหนอย่างไรครท่านคะธรรมะว่าอย่างนี้ว่าถ้าเราจะมีชีวิตยอยู่แล้วเนี่ยนะพระเจ้าบอกว่าคนที่จะมีชีวิตยอยู่อย่างประมาทมัวเมาเนี่ยอย่ามีชีวิตยอยู่อย่างนั้นแต่คาว่าอย่ามีชีวิตอยู่อย่างนั้นนี่ไม่ใช่หมายกับว่างั้นคุณตายซะอย่างเช่นของเด็กหญิงพรานิกานี่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้เรารู้จักที่จะใช้ชีวิตของเราที่มีอยู่เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์รู้ว่าคุณอยู่เพื่ออะไรแล้วเราก็จะตายอย่างสบายใจ เดังนั้นการที่เราจะรู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีประโยชน์ได้อย่างไรตรงเนี้ยก็ต้องอาศัยปัญญาอาศัยการศึกษาอาศัยความใคร่ครวนเราเราถึงจะสามารถเห็นแง่มุมตรงนี้ได้ ค, คือมาทบทวนถามกันดีกว่าว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี้เราจะอยู่ให้มีประโยชน์ได้อย่างไรใช่ใชไหะแล้วก็ตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราก็มีบุญมีบาปติดมาด้วย ะอะไรๆเราก็ไม่ไดเอามานะเอกจากคันแม่นดามาอย่างเงี้ยก็มีแต่ตัวแต่สิ่งที่ติดมาด้วยก็มีบุญกับมีบาปตอนเธอตายเนี่ยเราควรจะต้องมีบุญให้มันมากขึ้นมีบาปให้มันน้อยลงอันนี้มันถึงจะคุ้มค่ากับที่เกิดมาดีฉันไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเมืม่อไม่นานมานี้เองนะคะ เ, เขาก็เข้าวัดแบบเข้าจริงเข้าจังเลยคะ่ะออืไปทุกวันไปฟังธรรมไปปฏิบัติอย่างหิ่งยวดผมเภาวนี่ สละทิ้งทรงผมหลอๆหมดเลยนะคะอือ่าพอไปเจอเพื่อนเขาแล้วเราจะว่าเออเจอเพื่อนคุณเนี่ยเข้ามาในวัดเพื่อนเขาเขบอกโอ้ยคนนี้เนี่ยสุดๆไปเลยก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะเฉียดใกล้วัดอืาที่นี้ก็ได้มีโอกาสคุยกับเขาเขาบอกใช่ครับผมสุดๆไปเลยแต่วันเนี้ยกลัวตกนรกแล้วก็ได้พบว่าพระพุทธเจ้าช่วยทําให้ไม่ตกนรกได้ก็เปลี่ยนวิถีชีวิตเลยะคะ่ะใช่ใช่ ตรงนี้ทำให้ชีวิตที่เหลืออยู่ทังหมดของเขาเนี่ยเป็นความดีความงามเป็นประโยชน์เกิดขึ้นดันดีนะคนที่เป็นแบบนี้ยพอ ร, รู้แล้วว่าเฮ้ยชีวิตชันนี้อยู่เพื่ออะไรเนี่ย เ, เขาจะไม่กลัวตายนะคุณหยงติว๋วเขาจะไม่กลัวตายก็ตายก็ไม่มีปัญหาแต่ชีวิตฉันมีประโยชน์ย่เีค่ะพูดถึงเนี่ยคะ่ะประเด็นไม่กลัวตายเนยเี้นเข้าใจว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะคะสําหรับคนที่โดยเฉพาะเมื่อเป็นผู้ใหญ่มากเข้าทุกวันแล้วเริ่มเห็นคนรอบข้างเขาก็ หายไปกันทุกวันทุกวันทีละคนสองคนนะคะใช่เชื่อว่าคงจะมีไม่น้อยทีเดียวที่คิดนะคิดแบบส่วนใหญ่น่าจะต้องกลัวกลัวเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปไหนอย่างใดมไม่รู้ว่าก่อนจะไปจะทุกข์ทรมานเพียงใด ม, มันน่าจะมีนะคะวิธีที่ท่านพูดนะคะว่าจะทำให้เขามีชีวิตอยู่อย่างไม่กลัวความตายอ่า ต้องคุยอย่างละเอียดไหมหรือว่าเพียงแค่ท่านสรุปสักประโยคสองประโยคก็อยู่แล้วไม่ต้องพูดเรื่องนี้ต่อแล้ววิธีการนั้นก็คือว่าบุคคลที่กลัวตายเนี่ยน ะ, ะเพราะว่าเขาไม่รู้ที่ไปในภาคหน้าว่าจะเป็นไปอย่างไรคอันนี้คือข้อหลักๆเลยนะคนคะที่กลัวตายเนี่ยคือไม่รู้ว่าภายภาคหน้าจะเป็นไปอย่างไรนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองในสิ่งที่เขามีอยู่ในปัจจุบันโลกเนี่ยความสุขภรรยาสามีหรือว่าเงินทองอะไรต่างๆเขาไม่อยากจากมันไปอันนี้คือข้อที่สอง ก็คือง่ายๆ ย, ยังถูกโลกนี้ดึงไว้อยู่ยังถูกความสุขในโลกที่โอ๊ที่นั้นเชก็ยังไม่ได้ไปตรงนี้ใช่ก็ยังไม่ได้ตามสิ่งใดเก็เชยังไม่ได้เริ่มก็เลยกลัวที่จะตายใช่ปะหรือ2ก็กลัวว่าโอ๊ยตรงจะไปไหนโลกน่าจะเป็นยังไงเจ้าอันนี้คือข้อที่2นั่นคือ2 ส, ส่วนตรงนี้แล้เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะทําให้เราเกิดความสบายใจจะตายก็ไม่กลัวเนี่ยก็คือว่าการที่เราสละวางทั้งสองอย่างได้น้ำพูดมันง่ายไง พูดมืนไงแต่จะทํายังไงคุณถึงจะไอ้วางความยึดถือในโลกเงินทองทรัพย์สินสมบัติที่เรามีเอาไปไม่ได้เลยนะอันนี้จะต้องละทิ้งไว้ทั้งสิน้นคุณจะวางยังไงอันนี้คือคือส่วนที่1แล้วส่วนที่2คุณจะมั่นใจได้ไงว่าคุณจะไปดีอันนี้คือส่วนที่2แล้วจะทําส่วนที่1และส่วนที่2ได้ต้องมีบุญแตนะ่บุญจะเกิดจากไหนในสมมติข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่เ น, นี่ยนะคุณโยมเิวถ้าบอกว่าเราตายพวดเนี่ยนะ <Okay. S 2> มันมันจบเลยรีเซตใหม่หมด รีเซตใหม่นะถ้าคุณเกิดใหม่สมมุติมีการเกิดอยู่จริงๆนะ mm hmm. เกิดใหม่จริงๆอะเกิดเป็นคนก็ไนดะ้อะแล้วคุณต้องหาใหม่หมดเลยนะ <Okay. S 1> นะสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้แปลงเป็นบุญไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ที่เราเกิดมาออกจากท้องแม่พรัวมาเนี่ยเรามีบุญอยู่ถูกไหม mm hmm. ซึ่งบุญตรงนั้นเนี่ยมันก็จะแปลงเป็นความสุขบุญก็จะแปลงเป็นความสุขเป็นเงินทองนะบาปก็จะแปลงเป็นความทุกข์เป็นเรื่องของเป็นนี้เป็นศีลอะไรก็ว่าไปใช่ไหมที mm hmm. นี้แสดงว่าถ้าเรามีเงินเนี่ยเรามีโพกษาเรามีความมีวันนะ่ะมีความสูงเนี่ย แต่ี่บุญเนี่ยมันกําลังใช้อยู่ในปัจจุบันคือมันกำลังออกผลอยู่ออกผลอยู่ออกผลอยู่แต่ไม่เป็นความสุขแต่ที่มันออกผลออกผลออกผลเนี่ยมันหมดนะมันหมดมันไม่ได้เอาไปมันไม่ได้สร้างใหม่ถ้าเราไม่ได้สละออกสมมติเรามีเงินอยู่ถ้าเราสละเงินนั้นออกพัวไปเนี่ยนี่เป็นบุญของเราเกิดขึ้นใหม่ทันทีอันนี้ถึงกัว่าเอาไปได้ก็มันจะ forward ไปได้อย่างงี้มันจะก็เรียกเอาไปได้ด้วยอย่างนี้ไม่ใช่ว่าคุณเก็บไว้ในกระเป๋าหรือเก็บไว้ในธนาคาร อันนี้อพอทําความเข้าใจกรณีที่หนึ่งตรงนี้เราจะค่อยๆละไอสิ่งที่เรามีอยู่ได้นตว่าตรเนี้ยเป็นผลของบุญที่คุณมีแต่ถ้าคุณไม่ให้ออกไม่นําออกไม่จัดการใช้อย่างดีอันนี้มันจะไม่ได้ออกไปด้วยได้นะนี่คือข้อที่หนึ่งค่ะฟังดูเนี่ยเข้าใจกระบวนการที่ท่านพูดนะคะว่าถ้ามีใช่ไหมคะแลลว่าเราเนี่ยมีบุญแต่ถ้าเราไม่สละออกเนี่ยบุญมันไม่เพิ่มขึ้นถูกไหมคะในเรื่องของการให้ทานใช่ค่ะ เป็นเหตุเป็นผลยังไงเหรอทว่าจริงๆแล้วถ้าเก็บไว้มันก็มีสละออกไปสิน่าจะเสียไปถ้าคิดแบบคณิตศาสตร์ธรรมดาบวกลบนะคะอ๋อก็คือเพราะมันมีจุดรีเซ็่งไงคุณยมติยวสมมติเราเก็บไว้เก็บไว้เอาใช่เรามีอยู่แต่เราไม่ได้ใช้ไม่ได้เกิดประโยชน์นะพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับสระโบรณีสระน้ําที่มีน้ําใสเย็นมีท่าน้ําร า, ราบเรียนเป็นอันดีแต่ว่าถ้าสระนี้ไปอยู่ในดินแดนของอมนุษย์ นะดินแดนข อ, ง, องมนุษย์เช่นยักษ์หรือว่าสุรกายคือมนุษย์เข้าไปใช้ไม่ได้มีมันก็เหมือนไม่มีนะคือถ้าเรามีทรัพย์เงินอยู่มีทรัพย์สินเงินทองอยู่แต่เรามีความตระณีคุมเอาไว้มีเหมือนไม่มีคุณโยมเติยวมีทรัพย์อยู่แต่ไม่ใช้เก็บเอาไว้แมันเหมือนไม่มีเพราะว่าอนะไรก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้จับใจใช้สอยไม่ได้ให้ใครแล้วจะมีทําไมมันเหมือนไม่มีมีตัวเลขในธนาการเยอะๆตายไปปุ๊บมันรีเซ็ตเลยรีเซ็ตเลยคุณเอาไปไม่ได้เลยสักบาทเดียว รีเซ็ตภาษาไทยน่าจะแปลว่าเริ่มต้นใหม่เริ่มใหม่หมเริ่มต้นใหม่ค่ะก็ค <g ül> ือเกิดใหม่แล้วพวกนั้นบุญที่ให้ผลตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ตามไปด้วยเลยนะให้ผลของในรัฐชาติปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ตามไปด้วยเลยนะอืมนี่อันตรายเพราะฉะนั้นจุดรีเซ็ตมันจะอยู่ตรงไหนละ่ะโอ้โหมันเปรียกรายยากบานดีมันปุ๊บปั๊บเนี่ยามาก็มีเพื่อนคนหนึ่งอายุ 3.9 ปีเป็นผู้หญิงแล้วก็เพิ่งตายเมื่อสองวันที่แล้วก็รีเซ็ตใหม่อืมค่ะ น, นี่คือจุดที่หนึนะส่วนจุดที่2ก็คือว่าในชาติต่อไปเอ๊ปะปารโลกนะชาติหน้าพบหน้าเนี่ยเราจะไปดีหรือไม่ดีนะนนี้ก็อาศัยที่เราทําเรื่องของศีลเราทําเรื่องของภาวนาเรานั่งสมาธิเร า, ส ร, าสร้างบุญสร้างกุศลด้วยวิธีการต่างๆแต่บางคนที่มีบุญอยู่ในใจเนี่ยจะมีความสุขพอมีความสุขแล้วก็จะไม่หวั่นไหวในพบหน้าที่จะเป็นที่ไปได้เลย นะคะอันนี้พอสังเกตเท่านี้ก่อนก็แล้วกั น, นะคะ่ะเพราะว่าเวลาก็ล่วงเลยมาพอดีทีเดียว<ม>กราบนมำส ก, การขอบพระคุณท่านพระบูลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเดือดผ่านค่ะต้นฟังที่ครบค่ะต้องรีบสรุปว่าดูนาฬิกาแล้วไปต่อไม่ได้เลยสําหรับวันนี้รายการสรนสนีสนทนาดิฉันสันสนีหน้าพงนะคะสนทนากับพระพบูลอภิปุนโนวัดป่าดอนหายศูอุดรธานีทางสถานีคิวเทครอบครัวข่าวร้อเนี่ย น, นะคะพรุ่งนี้ติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ค่ะ คุวสวัสดีค่ะ